เจรันทรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส6หตุลาคมเป็นวันพระวันธรรมสวนาณวันฝังธรรมเป็นวันที่สาธุชนทุกท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ทำความดีเพื่อจะได้เป็นคนดีได้เป็นพระตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะการกระทําความดีนี้แหละ<ม>การเป็นคนดีนี้แหละนาความสุขมาให้ดับความทุกข์ทั้งหลายได้หมดสิ้นไปเพราะความทุกข นั้นเกิดจากการกระทำบาปเกิดจากการกระทำความชั่วทั้งหลายนั่นเองดังนั้นวันนี้เป็นวันดีเราเรียกว่าวันพระเราก็ต้องทำตัวเราให้เป็นพระทำตัวเราให้ดีด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ การที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นั้นเราจำต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันหรือคุณสมบัติของผู้ดีหรือของคนดีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อแรกคือจาคะการเสียสละข้อที่สองคือศีลการไม่เบียดเบียนผู้อื่นข้อที่สามคือขันติ ความอดทนและข้อที่สี่คือธรรมะความอดกลัน้นถ้าเรามีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมทั้งสี่ข้อนี้อยู่ในใจแล้วเราจะตั้งอยู่บนความดีได้เราจะเป็นคนดีได้ถ้าเราอยากเป็นคนดีก็ขอให้เราเจริญสร้างคุณธรรม ทั้งสี่ประการนี้มาให้มากๆากให้มากๆให้มีมากๆอยู่ในตัวของเราแล้วการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดการพูดหรือการกระทำต่างๆก็จะบันไปในทางที่ดีที่งามที่ที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็น ตัวอย่างจาคะพระ อ, องค์ก็ทรงเสียสละความสุขทางโลกทั้งหมดซึ่งควาเป็นความสุขที่สูงสุด ข, ของมนุษย์ก็คือความสุขของพระเจ้าแผ่นดินหรือความสุขของมหาเศรษฐีพระ อ, องค์กลับกล้าที่จะเสียสละความสุขแบบนี้เพราะทรงเห็นว่าเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวร เป็นความสุขที่ไม่ได้ดับความทุกข์ต่างๆภายในพระทัยของพระองค์ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีไม่ได้ดับไปเนื่องจากการมีความสุขทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองดังนั้นอย่างวันนี้ญาติโยม ก็มาทำการเสียสละกันด้วยการเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นการเสียสละนี่แลจะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสุขเพราะการเสียสละนี้จะช่วยดับความเห็นแก่ตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆ เวลาที่เรามีความเห็นแก่ตัวนี้เราจะเป็นคนใจแคบเราจะเป็นคนที่ไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีความสงสารเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเราจะไม่มีเพื่อนเราจะอยู่แบบว้าเหว่เดียวดายถึงแม้เราจะมีสมบัติมากมายเพียงไรก็ตามแต่ สมบัติเหล่านั้นจะไม่สามารถมาดับความว้าเวความเศร้าซ้อยหงอยเหงาของเราได้ต่างกับคนที่มีจากกะคนที่เป็นคนใจกว้างเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะมีเพื่อนมากจะมีความสุขมากถึงแม้จะไม่มีสมบัติมากก็ตาม แต่จะมีความสุขเพราะความสุขที่เกิดจากการระงับความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวนี้จะสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาเพราะเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วก็จะจะไม่เห็นแก่ผู้อื่นจะคิดแต่ได้อย่างเดียวแล้วก็คิดได้เท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักพอ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆเป็นต้นเหตุของทุกข์ของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆแต่คนที่มีจาคะคือเสียสละนี้จะระงับความอยากต่างๆได้จะทำให้ใจสงบเย็นสบายความสงบความเย็นสบายของใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้สิ่งต่างๆ ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะมีความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองพอหลังจากนั้นแล้วพอเกิดความอยากที่จะได้สิ่งอื่นขึ้นมาอีกความสุขที่ได้จากสิ่งจากการที่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็จะหายไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะต้องตะเกียกตะกายดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อยากได้มา ต่างกันเป็นคนละทางกันการให้การเสียสละนี้จะทำให้ใจเราสงบจะทำให้ความอยากต่างๆนั้นน้อยลงไปเบาบางลงไปและหมดสิ้นไปได้ถ้าเราไม่มีการเสียสละแล้วเราจะไม่สามารถที่จะพัฒนาชีวิตของเราตัวของเราให้ดีขึ้นได้ เพราะเราจะรู้สึกว่าการรักษาศิ่คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี้เป็นสิ่งที่ลำบากยากเย็ยนมากเวลาที่เราอยากจะได้อะไรนั้นเรามักจะไม่มองถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเรามองแต่ความอยากของเราอย่างเดียวและเราก็จะกล้าทําสิ่งต่างๆที่จะให้เรา ได้สิ่งที่เราอยากได้มาถ้าเราต้องเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะทำมีตัวอย่างมากมายในสังคมที่เราเห็นกันเวลาที่คนอยากได้เป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีตำแหน่งอยากจะเป็นผู้แทนเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่เขาอยากได้เขาอาจจะทำแต่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะการกระทาบาปหรือการกระทาไม่ดีนี้เขาจะไม่ทำอย่างเปิดเผยนั่นเองเขาจะทำแบบลับๆเพื่อที่จะปกปิดความไม่ดีความชั่วของเขา เช่นการที่แสวงหาตำแหน่งต่างๆด้วยการใช้เงินใช้ทองอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นการเสนอตนเองเสนอความดีงามของตนเองแต่เป็นการลงทุนเอาเงินเพื่อที่จะซื้อตำแหน่งมาเพื่อที่จะได้เกาะโกยเงินทอง <c oughs> พอเขาได้ตำแหน่งมีอำนาจ เขาก็จะใช้อำ น, นาจใช้ตำแหน่งของเขากอบโกยเอาเงินเอาทองเอาสิ่งต่างๆมาให้กับตัวเขาเองเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีจาคะัา น, นเองใจเขาไม่มีการเสียสละการความจริงแล้วการการที่เราเลือกผู้แทนหรือเลือกผู้บริหารประเทศนี้เราต้องการคนที่เสียสละ เพื่อที่จะมานำประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าประเทศที่เจริญก้าวหน้านั้นเขามักจะมีผู้นำที่เสียสละเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อกอบโกยเงินทองต่างๆแต่เขาเห็นความสำคัญของความเจริญของประเทศชาติเขาจึงยอมเสียสละคนบางคนนี้ถ้าเขาไม่มาเป็น ได้รับตำแหน่งเขาจะมีความสุขมากกว่าเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่าแต่เนื่องจากเขามีจาระมีความเสียสละอยู่ในตัวเขาเขาจึงยอมที่จะสละความสุขหรือสละโอกาสที่เขาจะหาเงินหาทองมาทำงานรับใช้ประเทศชาติหรือในสมัยโบราณเราก็คงจะเคยได้ยิน ที่เวลามีศึกสงครามกันก็จะมีผู้ที่เสียสละทีชีพเพื่อชาติเพราะเขาเห็นความสาคัญของของประเทศชาติมากกว่าตนเองเพราะรู้ว่าถ้าประเทศชาติอยู่ไม่ได้ตัวเขาและครอบครัวเขาญาติสนิทญาติาสนิทมิ ส, สหายพี่น้องเขาก็จะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน นี่คือความสำคัญของความเสียสละที่พวกเราทุกคนนั้นสามารถที่จ ะ, จะเจริญจะบําเพ็ญและปฏิบัติได้เราทำไปตามกําลังของเราก็แล้วกันเราเสียได้มากก็เสียไป <c oughs> เสียได้น้อยก็เสียไปทุกคนนี้มีสิ่งที่เราเสียได้คือสิ่งที่เหลือเฟือนั่นเอง เรามีอะไรเหลือเฟือเกินความจำเป็นเราก็เสียเสี ย, สยละให้แก่ผู้อื่นไปเช่นเสื้อผ้าที่เรามีอยู่เต็มตู้ล้นตู้เราไม่ได้ใส่เก็บไว้ทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปจากจ่ายให้กับคนยากจนคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าได้สวมใส่เช่นในช่วงฤดูหนาวนี้ เสื้อผ้านี้ก็จะมีความจาเป็นต่อการรักษาร่างกายให้อบอุ่นให้อยู่อย่างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าเรามีเสื้อผ้าที่เก็บไว้ในตู้นั้นเราเอาไปให้ผู้ที่เขาไม่มีเสื้อผ้าได้สวมใส่เราก็จะได้ช่วยชีวิตของเพื่อมนุษย์เราด้วยกันให้เขาได้อยู่อย่างมีความสุขบ้างเหมือนกับที่เรามีความสุขกัน ดังนั้นขอให้เราพยายามคิดถึงหัว อ, อกของผู้อื่นคิดถึงหัว อ, อกเขาเหมือนหัว อ, อกเราคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราเดือดร้อนเราทุกข์ยากลาบากแล้วมีคนที่มาช่วยเหลือเราแบ่งปันความสุขให้แก่เราเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วถ้าเราทําได้แล้วเราจะมีความสุขมาก เพราะเป็นกฎแห่งกรรมนั่นเองที่ท่านแสดงไว้ว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราไม่ว่าเราทำอะไรมันเป็นกรรมทั้งนั้นกรรมคือการกระทาทำดีเราก็จะได้ความสุขทำไม่ดีเราก็จะได้ความทุกข์ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุข ไม่มีความทุกขอให้เราทำดีอย่าทำบาปอย่าเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเมื่อเราได้ทำการเสียสละอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเราจะรู้สึกว่าการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเลยเพราะเวลาที่เราเสียสละนั้นเรามีความปรารถนาดีเรามีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น เราอยากจะให้ผู้ น, นั้นได้มีความสุขเหมือนกับเราดังนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรถึงแม้ว่าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ในสิ่งต่างๆอย่างน้อยเราก็จะหามาโดยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะคิดเสมอว่าการที่เราสแสวงหาสิ่งต่างๆมานี้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเขามีความทุกจากการกระทําของเราเพราะจะทําให้เราไม่สบายใจจะทําให้เราทุกข์ใจสังเกตดูเวลาเราทําบาปนั้นใจของเราจะไม่สบายใจของเราจะว้าวุ่นขุ่นโม่มีความทุกข์ แต่เวลาที่เราไม่ทำบาปเรารักษาศีลได้ใจของเราจะมีความกล้าหาญมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อใครทั้งนั้นเพราะรู้ว่าไม่มีใครที่เขาจะทำอะไรเราได้เพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรที่จะทำให้เขาต้องมาว่ากล่าวตำหนิตีเตียนหรือประนามเรา หรือจับเราไปลงโทษเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่ผิดที่เสียหายนั่นเองเราก็จะสามารถเป็นคนดีได้เพราะคนดีนี้ก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเอง <c oughs> คือเป็นคนที่มีศัลจะมีวาจาไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงไว้ใจได้เชื่อใจได้ พูดคำไหนก็เป็นคำนั้นแล้วก็จะไม่เบียดเบียนทําร้ายผู้อื่นจะไม่ฆ่าผู้อื่นจะไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นนี่คือคนดีอยู่ตรงนี้อยู่ที่จาระคือการเสียสละแล้วก็อยู่ที่การมีศีล เช่นศีลห้าที่พวกเราได้สมาทานกันตอนนี้พวกเราก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะรักษาศีลห้าได้ไปนานสักเท่าไหร่เท่านั้นเองถ้าเรารักษาได้มากเท่าไหร่ได้นานเท่าไหร่เราก็จะเป็นคนดีได้มากขึ้นได้นานขึ้นแต่เวลาใดที่เราไม่สามารถรักษาศีลห้าได้เราก็จะ สูญเสียความดีของเราไปความดีของเราก็จะมีน้อยลงไปตามการกระทำของเราอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระลาหุนซึ่งเป็นพระราชโอรลหลังจากที่ได้บรรพชาเป็นสมัมมาเนตแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพระสมัมมาเนตรลาหุนให้รู้จักความดี ที่มีอยู่ในตัวโดยทรงยกตักน้าขึ้นมาเต็มขันหนึ่งขันแล้วก็บอกราหุนว่าราหุนความดีของเธอก็คือการมีสัจจะคือการไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นเวลาที่เธอพูดปดครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเทน้ำออกขันออกไปหน่อยหนึ่ง แล้วก็บอกว่าเวลาเธอพูดปดทั้งหนึ่งความดีของเธอก็เหมือนน้าในขันนี้มันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งถ้าเธอพูดปดอยู่เรื่อยๆความดีก็จะค่อยๆหมดไปเหมือนกับน้าในขันที่พระองค์ทรงค่อยๆเทออกทีละนิดเท่หน่อยจนในที่สุดก็ไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ในขนมน้ำเลยฉันใดความดีของเรานี้ ก็อยู่ที่ศีลประธรรมอยู่ที่สัจจ ะ, ะถ้าเราไม่มีสัจจะเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรจะมีใครเขาจะเชื่อถือเราได้ต่อให้เราบอกว่าเราดีขนาดไหนก็ตามก็มีแต่เป็นความพูดเป็นคำพูดเท่านั้นเองแต่ความจริงคือความดีจะไม่มีอยู่ในใจของเราเลยแล้วก็จะไม่มีใครมารับรองความดีของเรา ที่เราประกาศบอกผู้ไม่เหมือนกับคนที่มีความดีเขาไม่ต้องประกาศก็มีผู้อื่นที่จะรับรองยกย่องสรรเสริญความดีของเขาเช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่างพระองค์นั้นก็ทรงจากเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนยกย่องสรรเสริญรับรองความดีงาม ของพระองค์เพราะว่าความดีนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นอมะตะความชั่วก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ตายถึงแม้คนจะตายไปแล้วแต่ถ้าทำความชั่วอยู่ก็ยังมีคนประนามอยู่ถึงทุกวันนี้เรารู้จักชีว่าประวัติของคนชั่วก็เพราะว่ามันไม่ตายนั่นเองเราตายไปแล้ว แต่ชื่อเสียงของเรายังอยู่ต่อไปจะอยู่ในลักษณะไหนเท่านั้นเองอยู่ในลักษณะที่ดีหรืออยู่ในลักษณะที่ไม่ดนะีก็อยู่ที่การกระทาของเราดังนั้นขอให้เราพยายามทำความดีขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดี ประการต่อมาคุณสมบัติที่เราควรจะมีก็คือความอดทนขันติเพราะถ้าเราไม่มีความอดทนหรือขันติต่อความทุกข์ยากลำบากต่างๆเราก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมนั่นเองเช่นเวลาเราตกทุกข์ยากได้ตกทุกข์ได้ยากขาดเงินขาดทองไม่มีอาหารรับประทาน เราก็นลไม่มีวิธีที่จะหาเงินได้อย่างสุดจริญเราก็อาจจะต้องไปลักขโมยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยิงนกตกปลาเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราไว้แต่ถ้าเรามีความแน่วแน่ต่อความดีมีความเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้สละชีวิตเพื่อรักษาความดี จะดีกว่าอยู่แบบคนไม่ดีแล้วก็ไม่มีค น, คนงางความดีอยู่ในใจเพราะอยู่แบบนั้นก็จะอยู่แบบไม่มีความสุขแล้วตายไปก็จะต้องไปเกิดในที่เราไม่อยากจะไปกันเช่นไปเกิดเป็นเทระฉาน <c oughs> หรือไปตกนรกเพราะเป็นผลที่เกิดจากการทำบาป ท, ทำกรรมเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าเรายอมอดทน ทุกยากลำบากอย่างไรก็อยู่ไปถูถ่ายมันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะว่าคนชีวิตของคนเหล่านั้นเหมือนกันจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายหรืออยู่อย่างทุกยากลำบากในที่สุดมันก็ต้องตายเหมือนกันแต่คนที่อยู่ด้วยความดีนั้นจะอยู่อย่างมีความสุขจิตใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับความทุกยากลาบากต่าง แต่คนที่อยู่ด้วยความชั่วด้วยการทำบาปจะอยู่อย่างไม่มีความสุขจะอยู่อย่างอยู่อย่างวุ่นวายอยู่อย่างว่าวุ่นขุนมัวดังนั้นขอให้เราพยายามมีความอดทนเอาไว้จะยุจะทุกข์จะยากจะลำบากอย่างไรก็หัดอดทนเอาไว้ วิธีที่จะอดทนนั้นก็คือการทำใจให้นิ่งให้สงบสิ่งนี้ทุกคนทำได้ถ้ารู้จักฝึกรู้จักหัดทำเอาไว้ไม่ยากเย็นอะไรเลยเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นมีความสามารถที่จะทำได้เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยให้ความสนใจกันมันก็เลยรู้สึกว่ายากเวลาจะทำจิตใจให้สงบ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดเราไม่ค่อยทำกันเหมือนกับเหมือนกับมือที่เราใช้ถ้าเราเคยใช้แต่มือขวาแล้วเราต้องมาใช้มือซ้ายนี้เราจะรู้สึกว่ามันยากมันลำบากแต่ถ้าเกิดมือขวาเราใช้งานไม่ได้ขาดไปอย่างนี้เราก็ต้องหันมาใช้มือซ้ายแล้วเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆต่อไป มันก็จะถนัดเหมือนกับที่เราใช้มือขวา<ม>การทําใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้ปล่อยวางก็เหมือนกันใจของเราไม่เคยทํากันใจของเราชอบคิดชอบปรุงชอบยึดชอบติดัสิ่งต่างๆพอจะให้หยุดคิดหยุดปรุงให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆ ก็รู้สึกว่าลำบากยากเย็นแต่ไม่สุดวิสัยพระพุทธเจ้าได้ทํามาแล้วพระสาวกทั้งหลายได้ทํามาแล้วเพราะการกระทํานี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเรามากเพราะทําให้เรานี้สามารถตั้งอยู่ในความดีได้เราเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วความทุกข์ยากลําบากต่างๆนั้นมันจะ หายไปเกือบหมดเพราะความทุกข์ยากส่วนใหญ่นี้มันอยู่ในใจของเราที่เกิดจากความท้อแท้เบื่อหน่ายอิจฉาราอาใจหรือเกิดจากความอยากที่จะให้พ้นจากความทุกข์ความยากลาบากต่างๆนั่นเองแต่พอใจของเรานั้นหยุดดิ้มแล้วสงบตัวลงแล้วอยู่เฉยๆได้แล้ว ความยากลำบากต่างๆนั้นมันไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในใจของเราได้มันอยู่ข้างนอกถึงแม่ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคชนิดต่างๆแต่เวลาที่ใจสงบนั้นใจจะมีความสุดท่ามกลางท่ามกลางความทุกยากลำบากของร่างกายและของสิ่งต่างๆรอบใจ พอใจสามารถที่จะยับยั้งไม่ไปเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้นั่นเองพอใจสงบมีความสุขแล้วความทุกข์ยากลาบากต่างๆหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนี้จะรู้สึกว่าเบาบางลงไปหรือไม่มีน้าหนักที่จะมาสร้างความทุกข์ทรมานใจได้เลย คนที่มีขันตินี้ก็จะสามารถอยู่และอยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองตายไปก็จะได้พบชาติที่ดีกว่าหรืออาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดเลยก็ได้เพราะใจไม่ไปสร้างบาปสร้างกรรมใจไม่ไปทำสิ่งที่จะทำให้ต้องไปทุกข์ทรมานต่อไป เย่นบางเวลาถ้าเกิดเรามีโรคภัยไข้เจ็บและเราเห็นว่าถ้าเราอยู่ต่อไปก็จะเป็นภาระของผู้อื่นอย่างนี้เราก็อาจจะคิดผิดได้คิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นการทำบาปบาปยิ่งกว่ายิ่งกว่าการฆ่าผู้อื่นเสียอีกเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะรักตัวกลัวตายเท่ากับตน รักตัวเองนะแล้วถ้ากล้ามาฆ่าตัวเองนี้ก็สแสดงว่าเป็นคนที่มีความหลงมากเป็นคนที่มีความมืดบอดมากแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปเวลาไปเกิดใหม่แล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลามีปัญหาอย่างเดียวกันก็จะแก้ปัญหาแบบเดียวกันก็จะฆ่าตัวตาย ชีวิตก็จะไม่มีการเจริญจะไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้เลยวิธีที่แก้ปัญหาก็คือต้องปล่อยวางถ้าเราทำอะไรไม่ได้ถ้าเราแก้ไขไม่ได้ก็ปลงมันเถอะอะไรจะเกิดก็เกิดเราก็อยู่ของเราไปอย่างเนี้ใครจะดูแลเราก็ดูแลไปใครจะไม่ดูแลก็ไม่เป็นไร ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไปเท่านั้นเองแต่เราอยากไปฆ่ามันเพราะการฆ่านี้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นการสร้างภพชาติที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นอีกหลายร้อยหลายพันชาติด้วยกันแต่ถ้าเราปล่อยวางได้ปล่อยให้มันตายไ ป, ไปตามธรรมชาติของมัน <c oughs> ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายได้ หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาฆ่าตัวตายนับไม่ถ้วนได้จึงขอให้เราพยายามฝึก ร, รมจิตใจให้สงบกันทำสมาธิจะสวดมนต์ไปก็ได้จะบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือถ้าจะฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ฟังไปจนกว่าใจรู้สึกเย็นสบายแล้วก็ลองนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไป ดูว่าใจฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดหรือเปล่าถ้าคิดวุ่นวายก็ลองสวดมนต์ไล่ออกไปหรือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไล่ออกไปไม่นานเดี๋ยวใจก็จะสงบเย็นสบายแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะยากดีมีจนเราจะอยู่อย่างมีความสุขเสมอเพราะเราสามารถสร้างความสุขแบบนี้ให้กับตัวเราได้ตลอดเวลานั่นเอง ประการสุดท้ายที่เราจะต้องมีก็คือธรรมะแปลว่าความอดกลั้นอดกลั้นนี้หมายถึงให้เราอดกลั้นต่อความโลภความโกรธความหลงต่อความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราเพราะความโลภความอยากความโกรธความหลงนี่แหละเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราไปทําบาปทํากรรมต่างๆนั่นเอง ถ้าเราไม่โลภเราไม่อยากเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขแต่พอเราโลภเราอยากขึ้นมาแล้วเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขความโลภความอยากและความโกรธนี้มันก็เกิดจากความหลงนี้เองความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนแต่พวกเราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่ได้สอนให้เรารู้ว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราที่สงบนี้เองขอให้เราทำใจของเราให้สงบเถิดด้วยการบริจาคด้วยจาคะการเสียสละด้วยการรักษาศีลด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขพอใจเรามีความสุขแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรเช่นใจของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่าน หายหลงแล้วท่านไม่อยากได้อะไรแล้วไม่อยากมีลาบยศสรเสริญสุขเหมือนกับพวกเราที่ยังอยากมีกันพอมีแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาพออยากได้แล้วก็มีปัญหาขึ้นมาพอเวลาไม่อยากได้แล้วไม่ได้เราก็จะเกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องไปทําบาปทำำํากรรมเวลาเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความอาฆาตพยาบาท เราก็จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องไปใช้กรรมต่อไปแต่ถ้าเราสามารถอดกลั้นอดทนต่อความโลภความอยากความโกรธต่างๆได้ด้วยการเจริญปัญญาอยู่เสมอเราเลิกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีความสุขภายนอกใจความสุขต่างๆภายนอกใจนี้เป็นความทุกข์ที่สวมใส่ด้วยความสุขคือเหมือนกับ ยาขมเครือบน้ำตานั่นเองมันสุขเดี๋ยวเดี่ยวหวานเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จะมีความทุกข์ตามมาอย่างที่พวกเราทุกกันอยู่ทุกวันนี้พวกเราก็ทุกกับความสุขที่เราแสวงหากันแต่พระพุทธเจ้ากับพระสาวลงนี้ท่านไม่สุขท่านไม่ทุกข์เหมือนพวกเราเพราะท่านมีความสุขที่ไม่มีความทุกข์คือความสุขที่การทำใจให้สงบนั่นเองด้วยการทาความดี ด้วยการเจริญคุณสมบัติทั้งสประการนี้คือหนึ่งจากะการเสียสละ 2. สองศีลคือการไม่เบียดเบียนกัน 3. ขันติความอดทนและสี่ธรมะคือความอดกลั้นนี่คือคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดีของเหตุที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความเจริญจึงขอฝากเรื่องของการ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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาละโดยทั่วหน้ากัรเธอ